ต่อไปนะพระคาวาในาทิยะที่ที่สามนะครับทรงเสภพาคธรรมคำว่าทรงเสภพาคธรรมเนี่ยนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระคาวานี้เพราะหมายคำว่าทรงเสภพาคธรรมเนี่ยจะ ถ, ถามว่าเออเป็นอย่างไรล่ะก็คือหมายถึงส่วนแห่งสมาบัติที่ใช้สอยทุกวันแต่ละวันเนี่ยนะประจำวันว่า ง, งั้นเถอะได้จำนวน สองหมื่นสี่พันโกดเราใดมีอยู่อ่าผมสังเกตดูนะว่าของครั้งก่อนเนี่ยบาลีใช้สัพท์เหมือนกันแต่แปลว่าสองล้านสี่แสนโกดเนยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะเข้าใจว่าควรจะเป็นสองล้านสี่แสนโกดเหมือนกันอันตรงนี้ควรจะเป็นว่าส่วนแห่งสมาบัติที่ใช้ทุกวันเนี่ยนะครับนับได้จํานวนสองล้านสี่แสนโกด ถ้าแปลแบบนี้มันจะตรงกับที่อื่นๆนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ทรงครบทรงซ่องเสพว่างั้นเถอะได้แก่ทรงธรรมให้มากอยู่เนืองนิดหมายว่าอบรมอยู่ตลอดนะหมาย ว, าว่าว่างก็เข้าเลยว่างก็เข้าเลยว่างก็เข้าเลยว่างนันเถอะถ้าไม่มีกิจอื่นๆที่ไปบําเพ็ญพุทธกิจด้านอื่นๆนะก็จะเข้าสมาบัตเหล่านี้นะซึ่งส่วนแห่งสมาบัตเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเหลือนะครับ แต่ละวันเนี่ยเข้าได้ทั้งหมดไม่มีเหลือเลยได้แก่ทรงทําให้มากอยู่เนืองนิดนะครับซึ่งส่วนแห่งสมาบัติเหล่านั้นไม่มีเหลือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกและเพื่อประทับอยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันของพระ อ, องค์ถามว่าพระ อ, องค์เข้าสมาบัติมากๆเนี่ยเกื้อกูลต่อโลกยังไงเกื้อกูลต่อโลกด้วยการว่าเมื่อโลกไปกราบไปไหว้พระ อ, องค์ก็จะมีบุญมากหลังนั้นเถอะเนื่องจากไปกราบไปไหว้ไปสการะ และลึกถึงท่านก็จะมีบุญมากอ่ะเพราะท่านมีคุณธรรมสูงสูงอ่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทําเพื่อเพื่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เกื้อกูลแก่ชาวโลกนะครับแล้วก็ในขณะที่พระองค์ทรงเข้าก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระองค์นะครับเพราะเหตุ น, นั้นจึงทรงพระนามว่าพระขวามายความว่าทรงเสพภาฆาธรรมคือสมาบัติทั้งหมดที่ไดได้ใช้ไปนั่นเองนะครับทั้ง สองล้านสี่แสนกุกนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าทรงเสพภาค้าธรรมเนี่ยนะก็คือว่าธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ยิ่งมีกุศลเป็นต้นพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วนะธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นธรรมเหล่าใดเป็นส่วนที่ควรรู้ยิ่งด้วยอำนาจธรรมะที่ควรกำหนลรู้เป็นต้นนะครับหรือ ส่วนที่ควรรู้ยิ่งนะครับโดยโย่อก็มีอยู่สีอย่างนะครับคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งว่าเออธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรแก่การกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรแก่การละควรแก่การเจริญควรแก่การทาให้แจ้งมบเนี่ยนะพระองค์ทรงรู้ยิ่งหมดเลยโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะครับ อันนี้ว่าว่าโดยย่อนะว่าโดยย่อก็คือว่าเออนี่นะควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งอ่ะนะอันนี้พูดแบบยอ่อๆแต่ถ้าจะพูดแบบพิสดารเน่ยนะก็ว่าธรรมะทั้งหลายที่ส่วนที่ควรกําหนดรู้ก็มีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นจกักษุเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นะครับจนถึงจกักษุควรกําหนดรู้ถามว่าเปย์เนี่ยคืออะไรเปก็คือนี่มันไปดูในปฏิสัมพิทานะครับอภินญญ า, านิเทศ นะครับอภิน ญ, ญานิเทศน ะ, นะเช่นจกขู่ควรรู้ยิ่งรูรปควรรู้ยิ่งจกขูวิญญาณควรรู้ยิ่งจกขู่สัมผัสแม้กระทั่งสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกกมสุขเวทนาก็ไล่ไปเรื่อยเป็นเรียกว่ากระบวนธรรมะเหล่านี้นะครับมี30ข้อแล้วก็ขันห้าอายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6วิญญาณ6กพรรษาหเวทนา6สัญญา6เจตนา6นะครับตันหา6วิตก6วิจารหกทา่าห6นะครับ อายตนะสิบสองทาสิบแปดอินซียี่บสองอาการสามสิบสองกษิสิบนะครับ<ม>เป็นต้นนะนะจนถึงว่าปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นอันดับสุดท้ายเรียกว่าชาราและมรณะเนี่ยนะอันนี้แบบพิสดารเลยนะแล้วก็มีธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ละเนี่ยนะครับมีหลายประเภทอีกที่พระองค์ละเนี่ยนะก็คือเหตุเกิดของจักสูนี่พระองค์ละ<ม>ก็คือ ถ้าเราแบ่งนะจากขู่จากขูสมุทัยจากขู่นิโรธจากขูนิโรธถ้าคามินีปฏิปทาจากขูนี่นะครับพระองค์ได้ทรงกําหนดรู้เนี่ยนะครับอย่างบริบูรณ์แล้วจากขูสมุทัยเนี่ยพระองค์ได้ทรงละอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเหตุแห่งเกิดแห่งจักสุเนี่ยถามว่าตอนนี้ไปหาตาพระพุทธเจ้าที่ไหนได้บ้างเพราะพระองค์ละเหตุแห่งจักสุเหล่านั้นหมดแล้วนะจากขูนิโรธคือพระนิพพานพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วนะครับข้อปฏิบัติเพื่อทําให้รู้จากขู่จากขูสมุทัย เข้าแจ้งจกักขูนิโรธพระองค์ก็บำเพ็ญเรียบร้อยแล้วนะครับนะพระองค์รู้ยิ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับ น, น, นะนะสังเกตดูสรุปแล้วนะครับว่ า, าจากักขูควรกําหนดรู้จกักขูสมุทัยควรละจกักขูนิโรธควรทําให้แจ้งจกักขูนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับทีนี้จกักขูเหมือนกันสีก็เหมือนกัน ตอนนี้เรามองเห็นลูกตาใครนะเราก็บอกเออนี่นะจกักรครูเหล่านี้พระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วเหตุแห่งจกักรครูเหล่านี้พระองค์ก็ละแล้วที่สุดแห่งจกักรครูหรือความไม่เป็นไปของจกักรคูและจกักรครูสมุทยัยพระองค์ทําให้แจ้งแล้วจกักรคูนิโรธทําให้แจ้งแล้วจกักรคูนิโรธคามินีปฏิปทาก็ทรงเจริญแล้วฉั้นลืมมองเห็นตาไข่ก่นนึกถึงพุทธคุณอันนี้ก็ได้นะครับผมมองเห็นตาอาจารย์ราโมลเออจกักรครู พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วจากครูสมุทัยก็ละแล้วจากครูนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วจากครูนิโรธคามินีปฏิปทาก็เจริญเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี้ก็เรียกว่านึกถึงพระครวาที่บอกว่าทรงเสพภาคธรรมงนั้นนะไม่ใช่จากครอย่างเลียวนัสีหรือรูปนะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นต้นนะนะรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยนะรูปเหล่านี้เนี่ยพระองค์รู้แจ้งหมดแล้วกําหนดรู้หมดแล้วรูปสมุทัยเหล่านี้พระองค์ก็ละแล้ว นะรูปนิโรธหรือว่าความไม่เป็นไปของรูปและรูปสมูทยัยพระองค์ก็บรรลุแล้วรูปนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์ก็เจริญแล้วนนะรูปหรือว่าจากขูวิญญาณจากขูสัมผัสแม้กระทั่งเวทนาหรือว่าหูก็เหมือนกันเห็นหูเขาก็เจริญอันนี้ก็ได้ได้ยินเสียงเขาพูดกับเสียงพระองค์ก็กําหนดรู้หมแล้วสมูทัยของเสียงพระองค์ก็ละแล้วนะครับ อความไม่เป็นไปของเสียงหรือว่าสัพธานนิโรธพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วแล้วก็เสียงนิโรธคามินีปฏิปทาพราะองค์ก็เจริญแล้วเพราะฉะนั้นมองเห็นตั้งแต่หัวจรเท้าเนี่ยพระองค์บรรลุเบ็ดเสร็จหมดเลยนะครับมันเจริญพุทธคุณได้สบายๆเลยนะศึกษาพุทธคุณอย่างดีมองเห็นอะไรก็เจริญพุทธคุณได้มองเห็นผมคนเล็บก็ได้หมดแล้วครับดำนิยะเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังสติปัฏฐานสีเนี่ยพระองค์ก็ทรงเจริญนะครับทำที่ทวนเจริญเนี่ยนะ สติประธานสีหรือแม้กระทั่งสติประธานสีส ม, มัคประธานสี่ที่บาสีอินทรี่ห้าพะละหานะคุณธะทำทั้งหมดเหล่านั้นพระองค์ทรงเจริญหมดนะฝันธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทงรงใช้ทรงคบทรงเสพ บ, บางอย่างก็ด้วยอำนาจอารมณ์คือเอามาพิจารณาจนหมดนะครับไม่มีเหลือบางอย่างก็ภาวนาทําให้มีขึ้นนะครับ ทำให้คือบางอย่างเนี่ยเป็นอารมณะบางอย่างเป็นจิตเยตสิกส่วนที่เป็นจิตเยตสิกที่เป็นฝ่ายดีพระองค์จะทําให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนสิ่งทั้งหลายที่เป็นอารมณ์พระองค์ก็จะเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสมบัติทั้งหลายพระองค์ก็อาเสวนะส่องเศพสมาบัติทั้งหลายเหล่านั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพานามว่าพระขวาเพระเพาะทรงเศษพาคธรรมดังพันานามาชนนี้อันนี้ในที่สอง คือทรงเสพพาคธรรมมีอยู่สามมีอยู่สามในนะครับข้อสามมีสามสามในในที่หนึ่งหมายถึงเข้าสมาบัตินะวันละสองล้านนะครับสี่แสนโกดเนี่ยคือในที่หนึ่งในที่สองรู้ยิ่ง ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งหมดแล้วก็กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ละธรรมะที่ควรละทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งหรือว่าเจริญธรรมะที่ควรเจริญหรือพระองค์ทรงเสพสติปัฏฐานสีเป็นต้นนั่นเองอันนี้เรียกว่าในที่สองในที่สามอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสพคือทรงปรารถนาด้วยพระมหากรุณาว่าสงสารว่าหมัรรมมีศีลเป็นต้นเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณ คือเป็นส่วนแห่งคุณที่ทั่วไปภาคะนีแปลว่าส่วนเป็นส่วนแห่งคุณที่ทั่วไปทำฉนะหเน า, นาหมวดธรรมเหล่านั้นจะพึงดำรงมั่นอยู่ในสันดานของเวนยสัตว์คือหมายก็ว่าเออนี่ศีล น, นี่ดีนะการงดเว้นจากปานาติบาตเจตนาอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลดีนะทำยังไงนะเจตนาอันนี้จะไปอยู่ในสัตว์ทั้งหลาย ทำไมเขาว่าเออสมถาวิปัสนาเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะทำยังไงสมถาวิปัสนานี่จะไปดำรงอยู่ในจิตของสัตว์ทั้งหลายนะพระองค์ก็จะกรุณาแบบเนี้ยเขาน่าจะมีนะเข า, าควรจะมีอ่ะเรายกตัวอย่างเราไปเห็นเด็กอดอยากหิวโหยเนี่ยเขาน่าจะมีส่วนแห่งอาหารบ้างนะเขาน่าจะได้กินได้ดื่มได้เคี้ยวได้ลิ้มได้หลับได้นอนได้พักผ่อนบ้าง แต่นี้ยังไม่ได้ได้กินเลยยังไม่ได้ดื่มเลยยังไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเลยเขาน่าจะได้รับผลประโยชน์อันนี้บ้างด้วยกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายนะคือคือถ้าถ้าพูดอย่างงี้ก็นึกถึงโยมบางท่านนะพอได้ฟังธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก็คิดว่าเออคนอื่นน่าจะได้ยินได้ฟังบ้างเหมือนกันนะก็จะมีจิตใจลักษณะนี้คือกรุณาต่อคนอื่นว่าเขาควรรับรู้สิ่งเหล่านี้นะะคล้าแบบเนี้นะครับ หรือคนที่กินอิ่มแล้วก็นึกถึงเออคนอื่นเขาน่าจะมีส่วนแห่งความอิ่มเหล่านี้ได้บ้างนะใครที่พักผ่อนสบายก็ออคนอื่นเขาควรจะได้พักผ่อนหลับนอนแบบนี้บ้าง น, นะพวกที่ทุกข์ทรมานทั้งหลายหละนะหรือคนที่สุขภาพแข็งแรงเห็นคนป่วยปวยก็นึกเออเขาน่าจะหายป่วยเขาน่าจะได้ใช้ยาประเภทนี้บ้างแบบนี้บ้างเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนี้คือพระมหากรุณาของพระ อ, องค์ที่มีต่อไปต่อสัตว์ทั้งหลาย น, นะก็ บางท่านก็มีนะครับมีเยอะเลยอาจารย์สมชายก็มีบ้างนะทำยังไงคนอื่นจะได้ยินได้ฟังพระธรรมบ้างนะก็ลักษณะนั้นแหละครับเรียกว่ากรุณาที่มีต่อคนอื่นน ะ, ะและความปรารถนานั้นของพระองค์ก็ได้นำผลมาให้สมพระประสงค์จริงไหมถามว่าไอ้ที่แค่สงสารเฉยๆเนี่ยนะว่าเขาควรจะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยแค่คิดเฉยๆใช่ไมไม่ใช่ เพราะพระองค์ทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาจริงๆ น, นะสิ่งที่พระองค์คิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหมดเลยเนี่ยอย่างพงศงให้พระนางวิสาขาเป็นพระโสดาบานันานาถาบินทิกาก็ศีลสมาธิแบบพระโสดาบันไปสอนให้พระอานุต์ตอนที่ยังอุปถาเป็นพระโสดาบานันหลังจากนั้นก็เป็นพระอระหันสอนภาษารีบุตร ควรที่จะได้ปัญญาเท่าภาษารียบวกก็สอนให้ได้ปัญญาเท่านั้นพรโมกขลานะควรมีฤทธ์เท่านั้นก็สอนให้ได้ฤทธ์เท่านั้นพระอนุรทธะควรมีตาทิพย์แบบนั้นก็สอนให้มีตาทิพย์แบบนั้นเพราะฉะนั้นจะสมควรสมควรสมควรเหล่านั้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่กรุณาว่าเขาน่าจะเป็นนะเสร็จแล้วก็าไม่ทาอะไรแต่ก็ได้ช่วยเขาจริงๆนะครับช่วยให้เขาได้เข้าถึงคุณอย่างที่กล่าวไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่คู่ควรเช่น สัตว okay, so so right. so awesome. ์ที่คู่ควรแก่การถึงไตรสารนคมก็ได้ถึงไตรสารนคมจริงๆสัตว์ที่คู่ควรแก่การมีศีลนะก็ได้มีศีลจริงๆที่ได้บำเพ็ญสมถวิปัสนาบรรลุสกทาคานาคาอรหันทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้บรรลุคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆอะด้วยมหากรุณาที่ที่พระองค์กระตุ้นช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ได้ได้รับคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆด้วยนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์เลยทรงพนามว่า พัาาวาหมายคือว่าทรงเสพภาคธรรมนะคือกรุณาอยากให้สัตว์มีคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแล้วสัตว์เหล่านั้นนั้นก็ได้มีคุณธรรมเหล่านั้นนั้นจริงๆอันนี้ก็คือในอัตถว่าพักวานในยะที่สข้อที่สามในที่3ามเหมืนัเด้อข้อสามมีสามใน 3. 3ครับสามจุดสามนั่นเองนะครับสามจุหนึ่งก็คือใช้สมาบัตสองล้านสี่แสนโกทุกวันนะสามจุดสองก็คือหมายคือว่า ทรงมีอภินัยธรรมปริญญยยธรรมปรหาตประธรรมภาเวตปรธรรมสัจจิกาตปรธรรมทั้งหมดเหล่านั้นอ่ะส่วนสามจุดสามก็คือมีกรุณาต่อสัตว์ให้สัตว์ตมีคุณธรรมแล้วก็ช่วยทําให้สัตว์ได้มีคุณธรรมจริงๆนะครับนี่เขาเรียกว่าทรงเสพภาคาธรรมโอ้เรามีศาสดราชั้นหนึ่งเลยนะชั้นยอดเลยนะว่ามีบุญกันนะแล้วก็ท่านก็เป็นคาถาประพันธ์ว่า เพราะเหตุที่พระธราคตเจ้าทรงเสพทรงปรานาภาคือส่วนแห่งคุณคือการบรรลุา ย, ยธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระควานะพระองค์เนี่ยทรงเสพสมาบัติใช่ั้มครับแล้วก็ปรานาคุณเหล่านี้ให้มีในสัตว์ทั้งหลายแต่ก็สิ่งที่พระองค์ทำทั้งหมดเนี่ยให้รู้ทว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสศแก่ สรรพสรรทั้งหลายนะครับแต่ยจะว่าเพื่อมนุษย์นะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แค่เพื่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งชาติอบายพระองค์ก็สงเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นนาคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิงสาราศาสตร์พระองค์ก็สงเคราะห์ช้างพระองค์ก็สงเคราะห์นะครับแล้วพระองค์ก็ยังสงเคราะห์แม้กระทั่งพวกกบด้วยนะพวกมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมทั้งหลายแหลพระองค์ช่วยหมดนะครับพอที่ผู้ที่พอจะช่วยได้พระองค์ก็ช่วยได้หมดนะครับ แม้กระทั่งเปรตทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยถ้าพระองค์ไม่ตรัสเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตทั้งหลายแล้วใครจะทำบุญไปให้เปรตเล่านะครับมันเปรตก็จะอดอยากหิวโหยพระองค์ก็ชื่อว่าช่วยเปรตด้วยพระองค์ก็ทรงแสดงทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอบายทุคติวินิบาตานรกก็เท่ากับช่วยสัตว์ทั้งหลายในอบายทุคติวินิบาตานรกสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เจ็บตายเป็นต้นพองก็ช่วยให้พ้นจากวัตรทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนพพรระองงก็เลยทาาามวว่ น, นะาะฉนั้นเวลาเราอารหังสัมมาสัมพุทโธพัคหวาก็นึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้นะครับพัควาแต่ละวันแต่ละวันนะครับ น, น, นะน่ะก็ท่องให้ครับท่องให้ชำนาญเลยนะครับอืมก็พักคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้แล้วจะรู้คุณของใครนา อ, ะอ น, นะข้อต่อไปเลยนะครับพัควานายะต่อไปว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระขวานี้หมายคำ ว, ว่าทรงเสพพระค้าธรรมเห็นไหมถามว่าอย่างไรโดยย่อก่อนนะครับว่าสมบัติทั้งหลายทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระชื่อว่าพระคะนะครับสมบัติทั้งหมดนะครับทั้งที่เป็นโลกิยะสมบัติโลกุตระสมบัติเนี่ยนะครับเพราะอันบุคคลทั้งหลายผู้ทําบุญไว้แล้วถึงพร้อมแล้วด้วยประโยคะซ่องเสพได้ตามสมควร สมบัติที่เป็นโลกิยะบางอย่างนะครับเช่นจกักรวิญญาณโสตะวิญญาณผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสุขภาพทั้งหลายเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของคนมีบุญเขานะใครที่ทําบุญไว้แล้วก็จะมีรูปร่างที่ดีมีตาที่ดีสุขภาพที่ดีวิบากที่ดีสมควรแก่ บ, บุญเก่าที่ได้ทําไว้แล้วอย่างหนึ่งแต่คุณธรรมประเภทโล ก, กุตระนี่ต้องภาวนาเอานะครับต้องเซพเอาต้องปฏิบัติเอาต้องประโยค่าภาคเพียรพยายาม น, นะ เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์นี้ได้เสพตามสมควรที่เป็นวิบากพงก็ได้รับนะวิบากที่ดีๆพระองค์ก็ได้รับอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการภาพเพียรพยายามปฏิบัติขึ้นพระองค์ก็ทําได้นะครับทีนี้จะอธิบายพิสดารอีกว่าก่อนอื่นในพักธรรมทั้งสองนั้นนะครับพักธรรมที่เป็นโลกยะอันสูงสุดอย่างยิ่งยวด พระธัาคตเจ้ายะครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ได้เสวยครบเสรมาแล้วอันนัเชน่นเขาบอกว่าสุขสุดยอดถ้าพูดแบบโลคิยะก็อะไรจะเท่าเนวสัญญานาสัญญายตนะใช่ไหมครับเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ละเอียดประณีตพระ อ, องค์ก็เคยได้แล้วถ้าพูดแบบโลคิยะทั่วๆไปนะครับอย่าว่ากามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์เลยถ้าบอกว่า ถ้าสัมนวนพูดแบบผู้ชายพูดก็บอกหญิงงามที่สุดคือพระนางยโสธราพิมพาก็เป็นแม่บ้านของพระ อ, องค์เหมือนกันเถอะลูกที่น่ารักที่สุดแบบพระราหุลก็เป็นลูกชายของพระ อ, องค์เหมือนกันอะไรที่ที่ควรได้นะหรือพระวังสารราชวังสามฤดูทั้งหลายเนี่ยนะคนปนนิบัติรับใช้อาหารการเป็นอยู่เนี่ยถ้าพูดแบบธรรมดาโลกียะแบบต่ําๆที่รวังกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของที่พระ อ, องค์ก็ได้เสพแล้ว แล้วก็แม้กระทั่งพอออกบววแล้วบำเพ็ญสมณะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทำใดที่จะพึงมีพระองค์ก็มีธรรมะเหล่านั้นสิ้นเชิงเหมือนกันนะแล้วได้พิจารณาพุทธการธรรมนั้นน่ยอย่างครบถ้วนบ่มพุทธธรรมให้สุขอย่างเต็มที่อันนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระองค์มีเนี่ยนะมีสิ่งเหล่านั้นเพื่อทําบุญเหมือนกันเถอะมีเพื่ออบรมพุทธการะธรรมอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าลูกก็ไม่ใช่ไม่รัก รักเหมือนกันแต่ก็รักโพธิญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้ลูกช่วยให้พ่อได้บำเพ็ญบารมีอันนี้เพื่อให้เป็นโพธิญาณเถอะนะแม่บ้านก็ไม่ใช่แม่รักในเรื่องของภรรยาก็ไม่ใช่แม่รักแต่ว่ารักโพธิญาณยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เธอช่วยช่วยบำเพ็ญบารมีอันนี้ให้ด้วยวังนั้นเถอะนะซึ่งแม่บ้านเขาก็เต็มใจนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ได้บ่มให้สุขอย่างเต็มที่แล้วว่างั้นเนาะ ต่อเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวยครบเสพพระธรรมเหล่านั้นอันเป็นโลกุตระนะตอนยังไม่บวชนะหรือว่าตอนบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยแสนกับก็ไอสิ่งที่เป็นโลกยนะิยะนั้รทำมาอย่างเต็มบริบูรณ์พอออกบวชตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้โลกุตระธรรมประกอบด้วยภาวะอันไม่มีโทษนะครับเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและก็ไม่สาธารณะแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยนะเรียกว่า โดยเฉพาะอาสาธารณายานทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่สาธานแก่บุคคลอื่นอย่าว่าสาธารณะแก่คนอื่นแม้แต่รูปร่างกายหน้าตาผิวพรรณเป็นต้นก็เนื้อคนอื่นหมดแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงส่วนที่เป็นสภาพจิตใจหรอกว่าจิตใจจะประเสริฐเนื้อคนอื่นขนาดไหนมางั้นทีนี้ต่อเมื่อได้เป็นพระพุเทธเจ้าก็ได้สวยโลกุตระแล้วนะครับอันนี้ที่จริงนะทั้งหมดที่ผมว่าไปเมื่อกี้เรียกว่าแบบย่อยๆก่อน ถ้าพิสดารกว่านั้นว่าพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะครับครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้สเสวยคบพระธรรมอันเป็นโลกยะที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นหลายอย่างเช่นบางชาติก็เกิดเป็นพระราชาพระเจ้าประเทศสราชบางชาตินะถึงความเอกราชก็เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอย่างนั้นเบางชาติก็สเสวยราชสมบัติหรือจักรพัสมบัติบางชาติก็เสวย เทวราชสมบัติคือบางชาติก็เป็นท้าสักตะเท้าสุยามเป็นต้น น, นะนะบางชาติก็เป็นมหาพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับบางชาติก็เป็นพรหมชั้นสูงกว่านั้นอีกังมากมายอันนี้พูดแบบโลกคยะแบบโลกโลกทั่ ว, ว, วไปนะเขาบอกว่าเป็นใหญ่เนี่ยนะครบอกว่าราชาองค์แรกของมนุษยโลกเนี่ยคือพระเจ้ามหาสมมติพระเจ้ามหาสมมติก็คืออดีตชาติของพระโพธิสัตว์นั่นเองนะครครั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เสวย คบเสพพระคธรรมอันเป็นโลกุตระที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นหลายอย่างเช่นอุตริมนุสธรรมทั้งหลายมีปฐมฌานทุติยฌานตรียฌานจตุทชฌานหรือแม้กระทั่งวิโมกข์ทั้งหลายสมาธิทั้งหลายนะครับหรือว่าสมาบัติทั้งหลายญาณทัศนการรู้การเห็นเนี่ยนะครับ หรือว่าการเจริญมรร ก, การทำให้แจ้งอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นจนถึงอรหัตผลเนี่ยนะพระ อ, องค์ทรงทาให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดนะครับทรงเสพแล้วก็ส่วนที่พระ อ, องค์เสพล้วก็ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นนะครับคือประนีดกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระควาพระหมายคำ ว, ว่าทรงเสพพระธรรมดังพณ น, นามาชนี้ เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงเสพโลกิยะสมบัติและโลกุตระสมบัติจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าพักวะคือมีสมบัติ ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระว่างั้นเถอะถ้าหากว่าเราเห็นอะไรนะดีๆเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าเคยมีมาหมดแล้วว่างั้นเถอะนะาศาสดาเราเคยมีมาหมดแล้วแล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงว่างั้นเถอะเราก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือความหมายของคำว่าพควานายะที่สี่